ตอนบรรยายธรรมเนื่องในวันวิสาขาบูชากาบนมัสการพระคุณเจ้าคุณเมชีกัลยยมิตรทุกท่านนั่งสบายๆนะวันนี้ไม่ใช่วันเสาร์แต่เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะก็หลายคนก็คงเข้าใจข้อๆแล้วเป็นวันนี้เป็นวันอะไรนะที่บอกวันประสูตร ตัสลูและปรินิพานนะเขาหมายถึงวันเดียวกันแต่คนคนละปีนะแต่พระครูจะความรู้สึกพระครูว่าวันเดียวกันวินาทีเดียวกันปีเดียวกันวินาทีที่ความเป็นเจ้าชายศิริธรรถูกฆ่าทิ้งไปแล้วการตัดสลูก็เกิดขึ้นพภูติเจ้าก็เกิดขึ้นในเวลานั้นวินาทีเดียวกัน ถ้าไม่มีวันนี้พุทธศาสนาก็ไม่ได้เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะพุทธศาสนาเกิดขึ้นทีหลังนะ เ, ออเกิดขึ้นจากการตัดสลุธธรรมของเจ้าชายสิท ธ, ธัตนถะหลายปีที่พ่อครูถอยชีวิตมาจากเมืองนอกมาอยู่บ้านนอกยี่สห้าปีก็มีผู้รู้หลายๆท่านก็เข้ามาแลกเปลี่ยนนะส่วนมาก เราก็จะอ้างอิงคำสอนพุทธเจ้าที่ว่าพุทธวจนะทุกคนก็อ้างนะแล้วก็ความรู้ที่เรารู้นั้นส่วนใหญ่ก็เกิดจากการไปอ่านตำราหรือพระไตรปิฎกก็พระไตรปิฎกของเทราวาสเรากับมหายานก็มีการแตกต่างกันบ้างแต่หลักใหญ่ๆคืออริยสัจสีนั้นก็เหมือนกัน นะวันนี้เป็นวันที่ผู้เจ้าแสดงธรรมจักกับปวนสูตรบางท่านถามพระครูว่าที่พระครูทำนี่สูตรไหนสูตรไหนมีหลายพระสูตรมากนะผู้เจ้าตัดไว้ในพระไตรปิฎกนะมีเยอะแยะนะแต่อัที่เราทําอยู่เนี่ยก็ถึงว่าถือว่าเป็นสูตรแรกที่ผู้เจ้าทรงแสดงคือธรรมจักกับปวนสูตรการสร้างแรงเหวี่ยงเมื่อเมืม่อตอนเย็นนี้มี เด็กนักเรียนคนหนึ่งนะก็ญาติธรรมพามาก็ถามประกรูว่าทำไมต้องเคลื่อนไหวทำไมต้องเหวี่ยงทำไมต้องหมุนอะไรเนี่ยนะก็เป็นคำถามที่คนรุ่นใหม่ต้องการได้รับคำตอบแบบตะ ก, กะพระกรูก็บอกโลกหมุนรอบตัวเองหมุนรอบดวงอาทิตย์พลังงานทุกอย่างต้องหมุนนะไฮิคอปเตอร์หมุนเบาๆนี่มันห่อไม่ได้ ถ้ามันเร่งสปีดเร่งส ต, งสติหมุนกงล้อของธรรมจักรนะเมื่อพลังเวียงนั้นมันแรงกว่าแรงดึงดูดเนี่ยมันจะดึงเอาก้อนเด็กเล็กใหญ่ๆนี้เหาะได้นะพลังงานทุกอย่างต้องต้องหมุนนะคือเราไม่เข้าใจว่าทําไมต้องหมุนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อถามเยอะแยะแต่วันนี้พระครูจะพูดถึงเรื่องหลักการของพุทธศาสนาจริงๆ ไม่ต้องไปอ้างอิงคําสอนตอนนี้คําสอนเนี่ยเป่งออกมาเหมือนกันคําว่านิพานนะก็แปลมาจากบาลีหรือละกะช่างเนี่ยสะกดก็ไม่ได้ผิดทุกทุกคนก็อ่านออกมาเป็นนิพานเหมือนกันนะแต่คนสองคนจบด็อกเตอร์ทางาศาสนาเหมือนกันแต่คนหนึ่งแปลนิพานว่าอัตตาคนหนึ่งแปลว่าอนัตตาตอนนี้ไอ้ความรู้ทางด้านาศาสนา เราเอามาจากภาษาที่เราไปอ่านมาไปฟังเขาบอกเรานะซึ่งผู้เจ้าก็เตือนแล้วว่าอย่าพึ่งเชื่อครูบาอาจารย์อย่าพึ่งเชื่อตำราอย่าพึ่งเชื่อคำเล่าขานอย่าพึ่งเชื่อที่ทำตามๆกันมาเห็นไมพระองค์ก็บอกล่วงหน้าแล้วว่าอย่าพึ่งเชื่อนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่ไม่เชื่อเลยเนี่ยหลงเชื่อด้วยแล้วก็ไปขยายผลต่อนะ ตอนนี้เนี่ยเราไม่ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าบางคนก็อ้างอ้างแต่ว่าไม่ไม่ปฏิบัตินะเมื่อเช้าพระคูเดินไปข้างหลังเนี่ยนะก็ติดป้ายหนึ่งไม่ชี้เขาก็ติดไว้คนไม่รู้พระพุทธองค์สอนให้รู้แต่คนรู้แล้วไม่ทำพระพุทธองค์ไม่สอนช่้าม ตอนนี้เรามีแต่ผู้รู้มากแต่ไม่มีผู้รู้จริงอ้างคําสอนอ้างเพื่อจะเอาชนะค้าคารกันแต่ไม่เคยลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังนะพวกวันนี้เป็นวันสําคัญมากเพราะอะไรทุกดวงจิตทั่วโลกเนี่ยพี่บุญสาริกชนเนี่ยรวบรวมเป็นหนึ่งเดียวเรามาจะเป็นปฏิบัติก็ดีมาเวียนเทียนก็ดีมาสวดมนต์ก็ดีในวันนี้เป็นวันที่เรา ปฏิบัติ บ, บูชาถวายเป็นพุทธบูชานะทุกดวงจิตรวมกันเป็นหนึ่งเดียวมีพลังมากในวันนี้นะแล้วก็หลักใหญ่ที่พระเจ้าแสดงก็คืออริยสัจสีนะ่ทุกสมุทัยนิโรธมาพระเจ้าตรัสรู้แค่นี้แค่นี้จริงๆความจริงสี่ประการความจริงที่ยิ่งใหญ่สประการคืออริยสัจสี่ พระพูดพระ อ, องค์พูดเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรนมรรคส่วนธรรมะอย่างอื่นแตกแขนงไปนะเป็นข้อปีกย่อยพระ อ, องค์พูดแต่เรื่องว่าอะไรคือตัวทุกข์อะไรคือเหตุแห่งทุกข์อะไรคือความดับทุกข์อะไรคือความคือหนทางไปสู่การพ้นทุกข์ศาสนาพุทธสอนแค่นี้สอนแค่นี้จริงๆบางคนบอกอุ้ยไม่กล้าคิดนิพพาน ไม่มีหรอกยุคนี้คนพุทธศาสนาที่คนถ้าใครปฏิเสธนิพานนี่ก็ไม่เข้าใจพุทธศาสนาพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เราเป็นคนดีพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เราเป็นคนชั่วพุทธศาสนาสอนให้เราพ้นทุกสถานเดียวไม่ได้สอนอย่างอื่นเลยนะเพราะคูมีญาติที่ทำต่างชาติ เขามาโดยเฉพาะคนต่างชาติคนตะวันตกเนี่ยเขาชอบเหตุผลแบบตรั ก, กะก็ถามถามถามถามนะทำไมทาไมนะบางอย่างมันพูดด้วยเหตุผลแบบตรักกะไม่ได้สิ่งที่ผู้เจ้าตรัสรู้นั่นคือความจริงความจริงนั้นมาถ่ายทอดด้วยภาษาไม่ได้มันจะเลอะเลือนแต่ผู้เจ้าใช้หลักภาษามนุษย์มาบอกเราว่าท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิด ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเมื่อเราเห็นธรรมแล้วเราจะเข้าใจสิ่งที่พระ อ, องค์ตรัสรู้สิ่งที่พระ อ, องค์ต้องการให้เรารู้สิ่งนั้นพูดด้วยภาษาไม่ได้มันเป็นปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหีเป็นสิ่งที่รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนก็ต้องเริ่มจากปฏิบัติพระ อ, องค์เองจเจ้าชายสิทธัตถานั่นก็ไม่มีพัฒบีดอกอาน และพระองค์อยู่ในลำดับที่28เป็นพระพุทธเจ้าที่28ดในสายพุท ธ, ธิบันทึกมาพระพุทธเจ้าทั้งหลายก่อนหน้านี้อีก27็พระองค์จะเป็นพระทีปังกรพระกัสสปะเคช่างเนี่ยก็ไม่มีพระใจวิดโก่านท่านเหล่านั้นเริ่มจากปฏิบัติก่อนทั้งสิ้นเจ้าชายยุทธปตต์ปฏิบัติลองถูกลองผิดอยู่หพันสาเมื่อตัดสลุดทำเข้าสู่ปฏิเวทก็สิ่งที่พระองค์รู้พระองค์เห็นมาบอกกล่าว จะเป็นพระอนุนหรือไม่ที่บันทึกไว้เนี่ยเพื่อนนอกศาสนาเขาไม่เชื่อเ็าบอกนิทานปรลามปรลาแต่พ่อครูไม่แคร์ไม่สนใจหรอกว่าผู้ริเจ้าชื่อว่าเจ้าชายสิทธัตถะหรือไม่แต่จิตดวงนั้นมีจริงคำสอนพระองค์ทำให้เราพ้นทุกได้จริงนี่พ่อครูพอแล้วและคำว่าศาสนาพุทธเนี่เกิดขึ้นทีหลังเป็นสิ่งที่มนุษย์เราเนี่สร้างขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือขับขับเพื่อนคําสอนพระองค์ซึ่งมีประโยชน์เราก็จะลงรักษาไว้เพื่อลูกหลานเราต่อไปแต่ไม่ใช่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าของกูของกูถูกของมึงผิดอย่างทะเลาะกันทุกวันนี้ไล่สาละซึ่งพระองค์ตัดไว้เองว่าศาสนาพระองค์เนี่ยอยู่ได้ประมาณห้าพันปีศาสนาก็เป็นอันนีจังทุกขังอนัตตามันก็ไม่ได้จีหลังยั่งยืนส่วนก็จะเปลี่ยนชื่ออะไรก็ช่าง แต่คำสอนพุทธองค์อีกกี่ล้านปีก็คงอยู่เพราะมันเป็นความจริงของธรรมชาติแต่ตอนนี้เราไปยึดทิยึดติ ด, ด, ด, ดที่รูปแบบประเพณีทางด้านาศาสนาเอาทิฏฐิมานะของตัวเองเป็นที่ตั้งก็เลยแยกเป็นหลายลทัทธินิกายขัดแย้งกันเองนะเพราะครูไม่เคยอ่านพระไตรปิฎก แต่ครูบาอาจารย์ที่มาแลกเปลี่ยนที่นี่ท่านก็ศึกษาเป็นมหาอะไรเนี่ยเราก็แลกเปลี่ยนกันเยอะนะเพราะครูไม่ได้ไปเสธที่นี่ก็มีพระไตรปิฎกรุ่นเก่ามีร้อยเล่มแต่วันดีคืนดีเนี่ยยุคเรานี่มีคนกลุ่มหนึ่งอวดตนว่าเป็นผู้รู้วันดีคืนดีก็ไปเปลี่ยนให้เป็นร้อยเล่มให้เหลืออยู่สี่สิบห้าเล่มไม่รู้เนื่องด้วยจากอะไรจะเป็นเพราะอยากให้มันสอบง่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้ ถ้าคำสอนพุทธเจ้าหมายถึงพระไตรปิฎกแล้วพวกคุณเป็นใครบางอาจเปลี่ยนคำสอนพุทธองค์แต่บังเอิญพระไตรปิฎกไม่ใช่คำสอนมันเป็น เ, เขาเป็นอะไรล่ะหนังสือชุดหนึ่งที่บันทึกพุทธประวัติและคำบอกกล่าวโดยผ่านภาษาจริงๆแล้วสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้นั้นมันพูดด้วยภาษาไม่ได้ แต่ก็มีประโยชน์เหมือนแผนที่เหมือนลายแทงแล้วก็รักษาไว้ให้ลูกหลานเราเนี่ยได้เป็นที่ยึดดูแค่สังเกตอย่างเราเราจะเดินทางมาอุบลเนี่ยเราไม่เคยรู้ใช่ไหมล้วก็หาข้อมูลว่ามาอย่างไงมาทางเครื่องบินมาทางรถไฟขับรถยนต์มาเองมีเสน้นกี่เส้นทางหรือเดินมาลุกขี่จักรยานมาเราก็ต้องหาข้อมูลแต่ถ้ารู้หมดข้อมูลแล้วไปสอนทุกคนรู้เลย ทาราน่อยเป็นอย่างนี้อยู่อุบลอยู่เรีนทร์อย่างนี้อ่านออกแต่ไม่เคยมาเลยเนี่ยมันไม่ใช่รู้จริงมันเป็นความจำมันไม่ใช่ความจริงแล้วก็จำถูกจำผิดมันก็เลอะเลือนไงตอนนี้แข่งกันแข่งความรู้กันจากร้อยเล่มแ ล, ล้วอยู่สี่สบห้า้วมันดีขึ้นดีก็เอาไปเกี่ยวอยู่เล่มเดียวก็บอกว่าเป็นพุทธวจนะของคนอื่นไม่ใช่ มันก็ไปขัดแย้งคําสอนพระเจ้าบอกอย่าเพิ่งเชื่อตําราไงแล้วตํารามาเผยแผ่ว่าต้องตําราเรื่มนี้เท่านั้นถึงจะถูกต้องบอกให้เขาเชื่อตําราเดียวในเรื่มเดียวกันเนี่ยอ่านเหมือนกันเปล่งอกมาเมกันนิพพานเหมือนกันคนนึงแปลว่าอัตตาคนหนึ่งแปลว่าอา น, นัตตาคนนึงบอกเดี่ยวซ้ายคนหนึ่งบอกเดียยนนเด่ยวขวามันถึงเลอะเลือนไงตําราเนี่ยเป็นแค่เหมือนแผนที่เหมือนลายแทงดูแค่สังเกต แต่ต้องลงมือปฏิบัตินะไม่ใช่ไปนั่งฟังเขาบอกเราหรือไปอ่านเอาขยะมาในสมองเราถ้ามานั่งเบียงต้องเบี่ยงมากกว่าคนอื่นเพราะขยะมันเยอะกว่าคนอื่นนะก็ถ้าอ่านพระไตรปิฎกว่าเป็นคําสอนพระพุทธองค์ก็ต้องอ่านให้มันครบหมูออ่านทั้งหมดไม่ใช่ไปดูจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็เอามาพรีเซนต์กันแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง มันไม่สูตรเดียวสูตรสูตรใดมันหลายสูตรมากโดยเฉพาะธรรมาจากกัปปวะสูตรเนี่ยทำไมเรียกว่าธรรมจักกับปวันนสูตรนะหมุนกลงล้อของธรรมาจักก็คือการขับเคลื่อนคำสอนพระองค์เป็นจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทธรรมาจากสัญลักษณ์ธรรมจั ก, ญญ ก, รรจกที่เขามีมีแปดช่องอะไรเนี่ยเป็นมรรคมีองแปดคือสั ญ, ญลักษณ์ของอริยสัจสี่โดยเฉพาะข้อแรกคือ ทุกมีไว้ให้รู้ไม่ใช่มีไว้ให้มันทุกข์ให้รู้ทุกข์ให้เห็นทุกข์สมุทัยคือตัวตัณหาคือที่มาของทุกข์พะพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าให้ดับทักษิสกิเลศนะดับที่ตัณหาเพียงแต่ว่ากิเลสคือที่มาของตัณหากิเลสคือความเคยชินมันไม่ใช่ธรรมชาติบางคนบอกกิเลสคือธรรมชาติ ไม่ใช่กิเลสคือสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเองแล้วก็ธรรมชาติของกิเลสนะ่ะมันไม่ใช่ตัวธรรมชาตินะกิเลสไม่ใช่ตัวธรรมชาติแต่ไอธรรมชาติของกิเลสนะ่ะมันก็มีตัณหามันก็มีความอยากมันเป็นธรรมชาติของกิเลสนะผู้เจ้าบอกดับทุกดับที่เหตุแห่งทุกคือตัวตัณหาทีนี้เราจะดับตัณหาได้เราก็ต้องมีสติปัญญารู้เท่าทันกิเลส กิเลสมันสร้างอารมณ์เมื่อเรารู้เท่าทันมันปุ๊บมันก็พัฒนาสู่ตัณหาไม่ได้อุปทานก็ไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดถ้าเราทําได้แค่นั้นเวลานั้นเราไม่ทุกข์เราเป็นคนที่ไม่ทุกข์เพราะว่าอุปทานมันไม่เกิดเพราะตัณหามันไม่เกิดนะมันไม่มีเจตนาแต่เรายังไม่พ้นทุกยังไม่พ้นทุกเพราะเรายังมีอัตตาอยู่นะ ที่พ่อครูเคยพูดบ่อยๆว่ายี่บห้าปีก่อนสามชั่วโมงที่มันเกิดอาการที่มันเหมือนระเบิดนั่นแหละวินาทีนั้นพระครูเริ่มนับถือพระเจ้าทันทีเลยเพราะคำว่านับถือนี่มันหยาบไปพ่อครูบูชาถวายชีวิตพระองค์พระองค์รู้ได้ยังไงพระองค์ไปเห็นสิ่งนี้ได้ยังไงไอไปเห็นสัมผัสสิ่งนี้นี่ก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องมันสุดยอดแล้วแต่ยังไม่ใช่เรื่องใหญ่ พระองค์ไปเห็นแล้วพระองค์ยังไปหาวิธีที่มาแก้ปัญหานี้ได้อันนี้ยิ่งใหญ่มากนักวิยาศาสตร์ยิ่งใหญ่ในโลกในจักรวาลนี้เนี่ยทิ่ประวัติศาสตร์ที่เราอค้นคว้าได้เนี่ยก็ไม่มีใครยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไม่มีแม้กระทั่งคำว่าบูชาถวายชีวิตในเวลานี้เนี่ยสลหรับพ่อครูแล้วมันยังอยากไปแต่มันไม่มีภาษาที่จะพูดให้มันยิ่งใหญ่กว่านั้นแลวไม่ใช่พูดเฉย 25ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีแม้แต่หนึ่งวินาทีที่จะรั่วจากความรู้สึกตรงนี้ที่นี่ไม่ขังนะไม่แก้งขังกันวางฟอร์มขังกันไม่มีแต่ที่นี่ยี่สิบห้าปีเสมอต้นเสมอปลายไม่มีรั่วบางคนบอกเห็นพ่อครูนี่เปลี่ยนไปอยู่ๆก็ผมก็ยาวนะอันนี้เป็นแค่สังขารมันเปลี่ยนไป ถ้าจิตมันเปลี่ยนได้เลยเนี่ยพราครูคงไม่ทนอยู่ที่นี่ยี่สิบ้าปีเราไปมองแค่ข้างนอก ก, ก็ให้มันเปลี่ยนนะยอมรับความเปลี่ยนแปลงแต่ข้างในมันเปลี่ยนไม่ได้มันไม่มีอะไรจะเปลี่ยนมันไม่ใช่เรื่องทําเล่นชีวิตหนึ่งกว่าจะเกิดมันเป็นมนุษย์ผู้เปรต เ, เนี่ยเป็นเทวดาเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉายมม่ว่ากี่รอบ ไม่ใช่เรื่องทาเล่นนะแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ตั้งมั่นศรัทธาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยหลุดออกจากมักจากทางศรัทธาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ก่อนจะศรัทธาเนี่ยต้องใช้สติปัญญาเท่าที่มีอยู่นะดูดีๆแต่เมื่อศรัทธาแล้วเนี่ยอย่าลังเลไม่งั้นทุกคนสู้กิเลสตัวเองไม่ได้หรอก กิเลสมาในใจเราเนี่มันร้ายมากมันจะอ้างโน่นอ้างนี่มันเก่งที่สุดเพราะมันรู้ว่าเราชอบอะไรเราเกลียดอะไรนะพวกครูเคยเขียนธรรมประจําเดือนจําไม่ได้แล้วเดือนไหนปีไหนนะที่เรานั่งถูกกันว่าไอ้คําว่าถูกต้องถูกต้องฉันถูกเธอผิดเนี่ยเอาอะไรมาวัดความถูกต้องเอาอะไรมาวัด ถ้าจะแปลให้มันใกล้ๆหน่อยหนึ่งความถูกต้องคือความง่ายไม่ใช่ความมักง่ายความมักง่ายไม่ถูกต้องมันเป็นเรื่องของกิเลสมักง่ายกับมักมากมักยากนี่ก็เป็นกิเลสหมดแต่ถ้า ง, ง่ายคือคือวิถีของธรรมชาติหิวก็กินง่วงก็นอนบางคนต้องเข้าใจคํานี้นะคาว่าหิวก็กินง่วงก็นอนนี่ก็เป็นกิเลสไนงะไม่ใช่ ถึงเวลากินก็กินอย่าเรื่องมากไม่ใช่อร่อยถึงกินไม่อร่อยไม่กินถึงเวลานอนก็นอนก็อย่าเรื่องมากไม่ใช่ไม่ง่วงไปนอนเพราะขี้เกียจอันนั้นเป็นกิเลสหิวก็กินง่วงก็นอนเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติเป็นตัวปัญญาแต่หิวแล้วไม่กินเพราะงานยังไม่เสร็จเดี๋ยวมันจะไม่รวย ง่วงก็ไม่นอนเพราะงานไม่เสร็จมันจะไม่รวยอันนี้เป็นตัวกิเลสไม่ใช่เป็นธรรมดานะเราก็ถูกกิเลสเราสั่งมาตลอดเราได้กลายเป็นคนมักง่ายมักง่ายได้ยากอย่างเราถูกเขาดา่าหูก็ได้ยินเสียงไอ้เสียงที่เขาด่าเราคือรูปไอ้ตัวได้ยินเสียงคือนามมันก็เกิดมันก็ดับมันเลิกด่าแล้วมันก็ดับแต่เราไม่เห็นตอนมันดับ พอรูปเกิดปุ๊บเวทนาเกิดมันลงใจทันทีเลยเกิดความรู้สึกทันทีสัญญาเกิดไอ้สัญญาที่บันทึกไว้ว่าไม่ชอบถูกดา่ามันตื่นขึ้นมาเลยสัญญาใหม่ก็บันทึกมาว่ามันด่าเราไปกระทบเชื้อไวรัสที่เราสะสมมานานว่าเราไม่ชอบถูกดา่ามันก็ตื่นขึ้นสัญญาเกิดสังขารเกิดมันก็คิดปรุงแต่งแล้วว่าเธอดา่าฉันฉันเสียเปียกไม่ได้ เราต้องด่าไปคืนวิญญาณเกิดภายในหนึ่งวินาทีขันห้าปุงวินาทีเรารู้ทั้งรู้ว่าคนดา่าคนมันไม่ดีมันดา่าเราเป็นคนไม่ดีเลยมันทําให้เราเจ็บไลยแต่เราสู้กิเลสไม่ได้เรากลัวเสียเปรียบเราก็ด่านไปคืนเราเป็นคนมักง่ายจิตเรามักง่ายเรากลัวว่ามันเจ็บใจไอ้ใจมกักมันเจ็บใจเราก็ทําตามใจเลยก็ด่ามันออกไปเหมือนเราเดินไปสุนัขมันเห่าเราเราก็ไปเห่าตอบมันแล้วก็กลายเป็นสุนัขเหมือนมัน ตอนนี้ทุกคนรู้นะเราเข้าใจมันไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตไม่รู้เราสู้กิเลสไม่ได้เรากลายเป็นคนมักง่ายมักง่ายก็ได้ยากแล้วก็สร้างกรรมเพิ่มแล้วตัวเองก็โกรธนะอาจารย์พระพยอมก็เคยบอกว่าเกิดโกรธคือโง่โมโหคือบ้าคนฉลาดคนเห็นแก่ตัวทำไมเท่าำไมเบียดเบียนตัวเองทำไมทำให้ตัวเองโกรธเราไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวนะแบบนี้นะเรากลวัวเสียเปรียกงนเราด่ามันคืนอันนี้เขาเรียกว่าคนโง่ คนทำร้ายตัวเองนี่คือคนโง่คนด่าคนอื่นก็ยิ่งโง่นักสร้างวาจีกรรมเราไปหลงว่าเราถูกเขาผิดผู้เจ้าบอกแล้วเนี่ยให้อภัยทานไงถ้าไม่มีคนผิดเราจะให้อภัยใครเนี่ยเราศึกษาพุทธธรรมแค่รูปแบบแค่เป็นคนรู้มากแต่ไม่ใช่รู้จริงนะ เราเป็นคนมักง่ายเราก็เลยได้ยากแต่ถ้าเราเป็นคนง่ายง่ายแต่ง่ายง่ายนี่ทำไม่ได้ยากไม่ไม่ได้ง่ายนะเราต้องมีขันติมีความอดทนต้องฝืนกิเลสเราได้มันบอกเจ็บใจมันบอกด่าฉันไม่ด่าถ้าเราฝืนตัวนี้ได้ง่ายง่ายง่ายจนไม่ต้องอ้าปากเห็นไหมไม่ต้องคิดไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องสร้างกรรมเลยเนี่ยมันง่ายไหมมันง่ายที่สุด แต่มันก็ยากที่สุดเช่นเดียวกันเพราะว่ากิเลสมันไม่ยอมสมมตว่าเรามักง่ายใช่ไหมมันด่าเราปุ๊บมันบอกฉันเจ็บใจฉันนอนไม่หลับถ้าเธอไม่ด่ามันฉันนอนไม่หลับแน่ๆเลยเราเป็นคนมักง่ายเรากลัวเราเจ็บใจมันเจ็บใจเราก็ด่าไปเลยมันดีใจบอกดีใจแล้วมันมีพลังมันก็ออกลูกมันออกลูกกิเลสมันออกลูก ทีนี้เขาด่ามาคืนแรงกว่าเก่าอีกมันบอกว่าด่าเฉยๆไม่พอนะลูกมันไม่พอกินมันบอกว่ามันงั้นไม่นอนไม่หลับลูกมันก็นอนไม่หลับเนี่ยมันจะอารวาทั้งคืนเนี่ยเราเป็นคนมักง่ายเรากลัวว่ามันจะนอนไม่หลับเราก็ตามใจมันมันบอกว่าด่าไม่พอต้องตบเลยตบเลยเราเป็นคนมักง่ายเรากลัวมันเจ็บใจเราก็ตบเลย มันบอกสะใจฉันดีใจแล้วลูกมันก็ดีใจมันมีพลังมันก็ออกหลานอีกมันออกหลานทีนี้เขาก็ตกมาคืนมันบอกว่ามันยิ่งเจ็บใจมากลูกมันก็เจ็บใจหลานก็เจ็บใจมันบอกตบคืนไม่พอแล้วมันบอกฆ่ามันเลยทุกวันนี้เป็นยังไงก็เอาปืนขึ้นมายิงมันเลยมักง่ายได้ยากก็ติดคุกติดตาราง เราไม่ใช่เป็นคนง่ายเราเป็นคนมักง่ายตอนนี้ทุกคนต้องเห็นตัวเองนะเห็นคนอื่นแล้วก็มองตัวเองอย่าไปโทษเขาต้องขอบคุณเขาเพราะครูเคยบอกว่าเอาทูบเอาเทียนไปกราบซะขอบคุณมากที่เขาทำให้เราให้เราเห็นตัวเองหลายคนเวลาพระครูกลับบ้างบ อ, บอกดูแลตัวเองนะไม่เคยดูแลตัวเองเลย ลืมตาขึ้นมาก็เห็นแปลงสีฟันยาสีฟันเห็นพ่อแม่พี่น้องเห็นเสื้อผ้านะเห็นเงินเห็นทองเห็นการเห็นงานไม่เคยเห็นตัวเองเลยเห็นั้ยแล้วก็ทำอะไรที่มันเกินเลยมาตัวเองก็ไม่สบายตัวเองก็เกิดอุบัติเหตุเพราะเราไม่เคยดูแลตัวเองแล้วเราบอกเป็นคนเห็นแก่ตัวแย่งชิงเขาก็ได้โกงเขาก็เอานะเราบอกถ้าเราได้แล้วก็ดี เราคิดว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวอันนี้ไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวนี่คือคนโง่เรากําลังเดินทางไปสู่นรกเราทําร้ายตัวเองเป็นคนโง่ยิ่งโง่เลยถ้าคนเห็นแก่ตัวแล้วต้องไม่ทําแบบนี้ทุกวันนี้เราสู้ความอยากไม่ได้นะอยากตัวตันหาเนี่ยคือที่มาของทุกเออ เราก็ต้องมีสติปัญญารู้เท่าทันกิเลสก็พัฒนาสูตรตัณหาไม่ได้อุปทานก็ไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดทำอย่างนี้ไปก่อนแต่เมื่ อ, อไรเนี่ยถ้าเราเกิดปัญญาสูงสุดแล้วเนี่ยจิตเขาจะรู้ว่าต้นเหตุคือมีตัวเรามีกล่องบันทึกโปรแกรมมีที่ยึดเหนี่ยวของกิเลสจิตมันก็จะระเบิดตัวนันทิงระเบิดอัตตาทิ้งเข้าไปสู่สุญญาตาคือว่างจากอัตตาตอนนั้นแหะปลอดภัย ถ้าตาบใดที่ยังทําไม่ถึงตรงนั้นเหมือนตอนนี้มีน้ำแก้วหนึ่งเรามาเวียงทิ้งเวียงทิ้งเวียงทิ้งมาขัดเกาจิตพ้องใสมันก็เหลือครึ่งแก้วพอออกไปทําหน้าที่ข้างนอกแรงกระทบมันเยอะถึงก็จะมีฝาปิดมีสติก็ช่างพอไอ้ลูกตัวกระทบปุ๊บมันก็เพื่อมันก็ดูดอารมณ์เข้ามาอีกแล้วก็มานั่งเวียงทิ้งเวียงทิ้งอีกกลับไปอีกก็เอาเข้ามาเต็มอีกเหมือนเราอาบน้ําทุกวันนั่นแหละเผลอปุ๊บมันก็เปื้อนอยู่ก็าอาบทุกวันแต่เราไม่เคยอาบจิตเลย บางทีปีหนึ่งไปแก้งขังกันสิบวันเข้าค่ายปฏิบัติธรรมไปปิดวาจาปิดอายตนะปิดหมดเลยสบายสบายพอกลับไปบ้านต้องพูดแก้แค้นเพราะไม่ได้พูดมาสิบวันมันเป็นขบวนการที่ไปกดมันไว้ไปติดที่รูปแบบนะก่อนที่พระครูจะลืมนะต้องขออนุญาตนะเมื่อกี้นี่พระครูไปนั่งอยู่โต๊ะนั้นก็มีกระดาษใบหนึ่ง ไอ้นี่ต้องขออนุญาตท่านผู้จะเขียนตรงนี้นะคือทุกครั้งที่เรามาปฏิบัติแล้วเราจะกลับนะเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็ให้กระดาษแผ่นหนึ่งให้เราออกความคิดเห็นนะมีอะไรตาหนินะมีกระทั่งเรื่องอาหาร เ, เรื่องที่พักแล้วก็การปฏิบัติสี่เวลาเช้าสายบ่ายเย็นนะก็มีท่านหนึ่งพรุ่งนี้จะกลับ ก็ครูจะอ่านให้ฟังหน่อยหนึ่งนะครับอินดิวิ i ดดีไซน์โปรแกรมเป็นเหมือนโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาให้กับผมโดยเฉพาะเจาะจงสอดคล้องกับจริตมากที่สุดเหมือนการตัดเสื้อที่ตัดออกมาให้เราโดยเฉพาะไม่เหมือนกับระบบโรงงานอุตสาหกรรมธรรมะ ที่เป็นระบบสายพันการผิดผู้ปฏิบัติธรรมเป็นเหมือนหุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมเหมือนกันหมดทั้งหมดโดยไม่ดูต้นทุนเดิมหรือจริตแต่ละคนทำให้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีประสบการณ์ตรงกับตัวตัวเองในเรื่องของจิตในจิต ซึ่งที่ผ่านมารู้จักแค่สติและสมาธิเป็นครั้งแรกด้วยนะที่ให้ข้อคิดเห็นแล้วก็เขียนข้างหลังด้วยซึ่งออกมาจากในจิตจากความรู้สึกจริงนะบังเอิญว่าเ่กพ่อครูเพิ่งเห็นข้างหลังก็ยังไม่ได้อ่านเลยนะหกสิบนาทีในการสนทนาทมกับพ่อครูบัญชา จะเป็นหนึ่งชั่วโมงที่เปลี่ยนชีวิตของหมอสายนไปชั่วชีวิตเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจในแก่นแท้ของพุทธศาสนาที่เกิดจากภาษาที่ง่ายๆของพ่อครูเกิดจากประสบการณ์ตรงของการปฏิบัติต้องกราบขอบพระคุณพ่อครูที่เหมือนให้ชีวิตกาหนดชีวิตใหม่ทางธรรมความเมตตาที่พ่อครูมีให้กับลูกศิษย์ ช่างเกินกว่าที่จะบรรยายเป็นภาษาเขียนแต่มันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผมได้ยึดเป็นแบบอย่างในการทำความดีในการให้ในการช่วยเหลือผู้อื่นต่อต่อไปนิพพานคือนิยามของการดับทุกข์ที่มีเฉพาะของพระอาหารหันต์และเป็นแค่เรื่องเรื่องเล่า เรื่องเล่ากันอยู่ในอดีต ท, ที่ตายแล้วจากปัจจุบันแต่เมื่อพบพ่อครูบัญชาความหมายของนิพพานและความเป็นไปได้ในการเข้าถึงไม่ใช่เรื่องเพอเจอร์อีกต่อไปผมฝึกปฏิบัติธรรมมาพอสมควรแต่ไปติดอยู่แค่สติและสมาธิและก็ยังคงทำผิดศีลอยู่หลายข้อแต่หลังจากกลับไป ผมตั้งใจจะออกจากป่าด้วยมัดแปดให้ได้ความเมตตาสายตาที่จริงใจที่พ่อครูมองผมทำให้ผมสัมผัสได้และตั้งใจจะเป็นผู้หลุดพน้นตามแนวทางที่พ่อครูได้สอนขอขอบพระคุณอย่างมากๆพรกครูก็ข อ, ขอมโมทนาด้วยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเฉพาะตน ไม่ใช่ใครมาก่อนมาหลังมันเป็นเรื่องอินทรีย์พละที่เรามีอยู่แล้วมันเท่าเทียมกันบางคนก็มีมากอยู่พลังด้านบวกแต่ด้านลบมันก็มีเยอะมันดึงกันชักก็เยอะแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิดนะบางคนก็มาแค่วันหนึ่งนะเมื่อเช้านี้ญาติรมคนหนึ่งนะพระครูรู้จิตทั้งหมด ไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิดมันเป็นเรื่องอารมณ์ที่ดีมากมีอะไรพูดมาตรงๆนะเมื่อเช้าจะกลบลาพระครูต้องกลับแล้วว่าทาไมเขาเป็นโลกกลัวมแมลงมากที่นี่มแมลงเยอะจังเลยบังเอิญว่าแปลกมากนะมาในเวลาจนนี้มแมลงไม่เยอะจริงๆมันเป็นช่วงฤดูพระครูก็ เ, เห็นจิตจิตเดิมจิตจริงๆแล้วแสวงหาอยู่แต่อใจปัจจุบันเนี่ยอุปทานปัจจุบันเนี่ย มันไม่ต้องการให้เราอยู่นะไม่ใช่เขาอ้างเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆพ่อครู เ, เห็นจิตพ่ะครูก็ไม่ได้พูดอะไรมากเพราะมีเวลาน้อยนะบอกที่นี่บ้านของมแมลงเราอาศัยมันอยู่รังเกียจมันทำไมนะอย่าหนีนะอีกหน่อยเราไปอยู่ในป่าคนเดียวเราจะหาเรื่องว่าลิงมองหน้าเราเอามันออก ความกลัวทำให้เราเสื่อมต้นเหตุของความกลัวมาจากความอยากอยากสบายกลัวไม่สบายมันเป็นอุปทานบังเอิญจิตเดิมเขามีพลังพอสมควรนะเพราะคูยังไม่รู้จักชื่อเลยนะใครก็ได้มาคุยกับพระครูพระครูจิตสื่อจิตนะเขาก็เร็วมากก็บอกงั้นไม่ต้องกลับเลยใช่แก้ปัญหาตรงนี้ซะอย่าไปห น, นีมันแล่านีมันไม่พน้น เรานีมันไปอังกฤษไปประเทศไหนไปเปิดแอร์ไม่มียุงไม่ยุงอะไรเลยก็ช่างแต่อุปทานนี้ยังอยู่เวียงทิ้งบังเอิญเขาก็าอยู่ต่อก็อนุมโมทนาด้วยนะเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ใครเสรแสง้งอยากเป็นอย่างนี้หลายปีก่อนมีกลุ่มคุณหญิงมาที่นี่มาวันแรกก็บ่นเลยร้อนก็ร้อนเปื้อนก็เปื้อนมีแต่ขี้ดินถ้าดินมันเป็นสิ่งที่เปื้อนในในตัวเราเปื้อนมากมันมีดินน้ำลมไฟ เพื่อนทุกคนใช่ไหมแต่ว่าเราเห็นจิตเขาไงไม่ใช่เขาเสียแรงเขาจะตายจริงจริงเพราะเขาอยู่ห้องแอร์ตลอดเงือไร ใ, ใครย้อยเลยนะก็ไม่พูดอะไรมากจับเบี่ยงบังเอิญว่ า, บ, าบุญเก่าเขาก็มีไงแต่อิกิเลปัจจุบันเนี่ยมันก็ดึงไว้น่ะพอเขาปฏิบัติสัมผัสจิตแล้วตอนนี้ไม่เพื่อนเลยไปช่วยพ่อคู ด, ดำนาลุยขี้โคน บอกไม่เป็นคููหญิงแล้วมันอยู่ที่บุญใครบุญมันคนที่บุญก็มีอยู่แต่กรรมมันบังอยู่ก็อ้างโน่อนอ้างนี่นะก็ไม่ใช่เรื่องผิดอีกก็เป็นกรรมของใครของมันนะทุกครั้งที่พ่อครูจะทาอะไรจิตดวงนี้เนี่ยเขาต้องตอบโจทย์ตัวเองได้เขาไม่ได้ทาด้วยความอยากด้วยขาดสตินะแต่ถ้าบางทีเราไม่มี มีศรัทธาตั้งมั่นแล้วเนี่ยพังเผอแล้วก็สร้างมนกวกรรมก็สร้างวัจีกรรมเนี่ยมันมิ่นเม่มากต่อการสร้างกรรมไม่ควรทำเนาะนะต้องดูอะไรนานๆอย่าไปดูวันสองวันนะต้องดูพื้นเพตั้งแต่ต้นจนจบนะพวกครูมาอยู่ที่ไม่ใช่ยี่บห้าวันนะยี่สิบห้าปีนะแล้วก็ทำตลอด ทำตลอดแต่ทำเพื่ออะไรรู้ไหมทุกวันนี้เราคุ้นเคยว่าทำเพื่อเราจะได้อะไรแต่ในทางทำมันกลับกันทำเพื่อได้ให้ไม่ใช่ติดดีติดชั่วอะไรเนี่ยมันข้ามค้นตัง น, นั้นตั้งนานแล้วทำทุกอย่างตอนนี้สายตารามองอะไรปุ๊บเราก็มันคำว่าธรรมะวิจยเน่มันวิจัยธรรมโดยไม่ผ่านการคิดเออจะทำประโยชน์ได้ยังไงให้เขา มันมีแต่เรื่องเดียวว่าทำอย่างนี้ให้เขาได้ยังไงมันไม่ติดบวงว่าต้องมีรูปแบบแบบไหนนะต้องอนุรักษ์แกล้งขังกันหรืออะไรไม่เขารู้โลกอย่างแจ่มแจ้งโลกมันเปลี่ยนไปขนาดนี้แล้วละมัวจะไปต้มๆเตี้ยมๆขี่คอช้างถือเงวถือเงาวฟันดาบแกล้งขังกันน่ะมันโกหกมันเสียเวลาชีวิตตรงๆจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่อง ซับซ้อนซ่อนเงื่อนมันเป็นอะไรตรงๆเมื่อเราตึงเครียดเราก็มาเช็คกิ้งสันให้มันหายเครียดเห็นไหมสุนัขมันยังทําเป็นเลยมันไม่ได้อ่านพระใจเบิดอกนะเพราะมันนอนนานพอลุกขึ้นมาเนี่ยมันก็เช็คกิ้งมันก็คลายความตึงเครียดพอตื่นเช้ามืดมามันเห่ามันหอนมันพายคลายอารมณ์เครียดมันถึงไม่เป็นมะเร็งไงนั่นคือทำมะแต่เราให้ไม่ได้มันไม่สวยงาม มันดูไม่ดีเห็นไหมเราก็ติดบ่วงองนี้ไงเราสร้างบ่วงขึ้นมาเองเนาะแล้วก็เป็นมะเร็งไงเป็นโรคภูมิแพ้ไงเรารู้จริงหรือเปล่าถ้ามนุษย์รู้จริงๆเนี่ยทำไมทำให้ตัวเองเครียดทำไมทำให้ตัวเองโกรธเห็นไหมจำคำว่าง่ายนะถ้าไม่รู้ว่าอะไรถูกต้องเนี่ย ต้องดูว่ามันจะเพิ่มความยากให้เราไหมแต่ทุกวันนี้ความยากของเราเนี่ยยากแค่ไหนฉันก็ยอมอดหลับอดนอนก็เอาไม่กินข้าวก็เอาเห็นไหมเพราะว่าฉันจะได้ไงส่วนการให้นี่ไม่ยากเลยไม่ต้องขอวีซ่าไม่ต้องขออนุญาตใครเลยให้เมื่อไหร่ก็ได้ง่ายมากแต่การที่จะเอาเนี่ยแหละต้องวางแผนอย่างนั้นอย่างนี้ต้องไปสู้กับเขาต้องคิดมากต้องทาเยอะมันเป็นการทาร้ายตัวเองหมด แต่ผู้เจ้าไม่เคยสอนให้เราขี้เกียจนะพระองค์สอนให้เรามีวิริยะแต่วิริยะความเพียรเนี่ยต้องชอบเพียรเกินไปเพราะความอยากมันไม่ชอบขี้เกียจเกินไปมันก็ไม่ชอบต้องพอดีทีนี้พอดีของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกนะทางขี้ไม่ต้องไปขี้ตามทางอย่าไปเรียนแบบมันไม่เหมือนกัน ทีนี้ไอทฤษฎีทุกวันนี้เนี่ยแข่งขันเสรีโดยอ้างสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันเนี่ยเป็นทฤษฎีที่ขัดแย้งกับความเป็นจริงของธรรมชาติศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เราเท่าเทียมกันศาสนาพุทธสอนให้เรายอมรับในความแตกต่างคนที่เหนือกว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนที่ด้อยกว่าน้ำแก้วหนึ่งเอาทรายเทลงไปอยู่ข้างล่างเอาน้ามันเทลงไปมันจะลอยอยู่ข้างบน เอาเกลือเทลงไปมันก็อยู่ตรงกลางต่างคนต่างอยู่อยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันต่างคนต่างอยู่ทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในแก้วใบเดียวกันอยู่ในบ้านหลังเดียวกันอยู่ในแผ่นดินเดียวกันอยู่ในโลกเดียวกันไม่ต้องทะเลาะกันแต่ตอนนี้ไอ้ลัทธินิกายที่ต้องการรวมโลกต้องให้ทุกคนเดินตามโปรแกรมตัวเองเพราะเขาลิขิตไงยักยอดโปรแกรมนี้ทุกคนไงมันก็คนใหญ่เลยคนคนให้เท่าเทียมกันมันขุนไปทั้งโลกมันขุนไปทั้งประเทศ ถามว่ามีใครได้ดีบ้างเจ็บหมดแล้วพอทิ้งไว้มันก็แยกกันอีกมันเข้ากันไม่ได้มันสร้างเวรสร้างกรรมมาไม่เหมือนกันมันสร้างบา ร, รมีไม่เท่ากันคนนี้เกิดมาพ่อมีพันล้านคนนี้เกิดมาพ่อมีนี่สินเหมือนเราแข่งร้อยเมตรแข่งกันคนหนึ่งสตาร์ท จ, จากจุดหนึ่งเมตรคนหนึ่งสตาร์ทจากจุดห0สิบเมตรมันจะแข่งกันได้ยังไง แข่งขันเสรีไล้สาละทุนนิยมใครมีทุนมากกว่ามันย่อมได้เปรียบเขาลงทุนโดยที่เขาได้ดอกเบี้ยเราลงทุนโดยเสียดอกเบี้ยจุดเริ่มต้ น, ต, นต้นทุนเราก็มากกว่าเขาแล้วเราลงทุนโดยต้องไปซื้อลิขอกระสิตของเขาเขาลงทุนโดยเขาขายลรือกระิ์เนี่ยจุดเริ่มต้นเราก็แพ้เขาแล้วแต่เราอวดเก่งอวดดีไงเป็นคนไทยอยู่ดีๆไม่ชอบจะไปเป็นทาส ตามไปว่าธาตุนะ follow is mean behind มันเปลี่ยนรุ่นใหม่ทุกวันไม่มีทางทันนี่ถ้าเราดูตัวเองแล้วมาดูตัวเองบ่อยๆหลับตาดูตัวเองตอนนี้หลับตาก็นอนหลับไม่รู้เรื่องลืมตาก็ไปเห็นแต่คนอื่นเป็นพาะเธอดา่าฉันนั่นแหละฉันถึงทุกข์ไม่ใช่มันมีปากมันก็ดา่าเรามีหูเราก็ได้ยินแต่เราไม่มีสิทธิ์เรามีสิทธิ์ที่จะเอาไม่มาคิดไงที่เราทุกข์เพราะเราโง่เองเอามาคิดให้เราทุกข์ไงไม่ต้องไปโทษใคร ถ้าจะโทษให้มันสนุกนะก็โทษตัวเองเถอะวันแรกที่มันหลงเกิดมามันก็แหกปากร้องแล้วไงเราบ้าที่จะมาเกิดไม่ต้องโทษใครไม่ต้องโทษตัวเองด้วยกรรมที่เราสร้างมาก็โอเคเปลี่ยนเป็นออโหสีกรรมแต่ต้องจำไว้ผิดเป็นครูไม่ใช่ผิดแล้วผิดอีกพอตายแล้วก็ลืมเกิดมาก็ทำเรื่องเก่าอีกเพราะอะไรทาไมเราลืม วันนี้มีนักวิทยาศาสตร์ถามพระครูคนหนึ่งไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ใครไม่รู้มันเยอะมากเนาะทำไมเกิดมาแล้วเราลืมเร็วๆนี้นะมีมีคนเข้าไปเซิร์ชอินเทอร์เนต็ตก็บอกว่ามีเด็กฝรั่งคนหนึ่งเกิดมามันบอกเลยบอกว่าอเก n โนมอ e มันจำภาษาได้เลยนะ มันเกิดมามันจําได้หมายรู้นะมันมีสัญชาตญาณญาณรู้ซึ่งเป็นสัญญาในเดเชาติมันรู้ว่าจากที่ไปฉันทุกข์แล้วมันก็แหกบากล้องไงแต่ไอัที่มันจําภาษาได้นี่แสดงว่ามันตายปุ๊บมันอยู่ในร่างมนุษย์อีกทีหนึ่งเลยมันจําภาษาได้มันบอกอีกแล้วนบอกแม่เอาแล้วอย่างเจ้าชายเจิตรัษ์เกิดมาเนี่ชี้ข้างบนข้างล่างเนี่ยชาติสุดท้าย เดินเานี่คือเขามีมหาสติปัฏฐานอยู่เขามีสัญชาตญาณแต่ตอนนี้สัญชาตญาณหายไปไหนตอนนี้ที่ศูนย์เรามีผู้มีบุญมาเกิดที่นี่คนหนึ่งพี่บุญส่งตอนนี้อายุขวบครึ่งเพราะกูได้ตั้งชื่อบุญส่งมาเขาเหวี่ยงเป็นนะนะมันแะลึกชาติ ด, ด้วยแต่มันพูดไม่เป็นเฉยๆถ้ามันพูดเป็นแตกตื่นกันหมดเลย เธอเคยเป็นอะไรกับฉันอะไรเนี่ยนะแต่ตอนนี้มันก็เริ่มจะรู้มากแล้วใที่เรียกว่าภาษาอังกฤ ษ, ษ, ษ, ษบอกเธอระ b บ e t ทูอายุสองขวบนี่กำลังจะดื้อดื้อสุดๆเลยนะสมัยก่อนพวกกูมีร้านอาหารที่อเมริกานะพวกพนักงานเสิร์ฟนี่กลัวมากเด็กสองขวบเดี๋ยวจานบินบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างเนี่ยมันมันล่อนไปทั่วนะเนะพราะมันเริ่มรู้มากมัน เริ่มรู้มากเลยมันก็ไปกบเกลื่อนเรื่องสัญชาตญาณมาแล้วนะจริงๆแล้วมันเกิดมามันระ ล, ลึกชาติแต่มันเริ่มลืมเพราะเรามีความรู้ผิดเอา้าความรู้ก็ดีแล้วไงดีถ้ามันเป็นความรู้ถูกต้องถ้าความรู้ใดแฝงด้วยโลภโกรธหลงมันจะทําให้เราทุกข์ถือว่าเป็นอวิชชาทั้งสิน้นเราเอาวิชาเข้าไปคนรักเราที่สุดแหละให้เราก่อน สอนให้เราต้องเป็นคนเก่งต้องเรียนเก่งๆหาเงินเยอะๆแล้วก็รวยแล้วจะมีความสุขอา้ามันก็ดีแล้วไงดีเหรอนี่แหละคือดีของเราแต่มันจะทําให้เราทุกข์เพราะว่ามันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเงินซื้อความสุขไม่ได้เงินซื้อได้แค่ความสะดวกสบาย ความสนุกสนานความเพลิดเพลินความสะใจความพึงพอใจเป็นเรื่องของใจตั้งนั้นมันไม่ใช่สุขจริงๆพระพุทธองค์พูดความสุขอยู่ในที่จุดเดียวคือนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่คือสุขแท้สุขทึ่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่มีของคู่ทุกวันนี้เราสุขสุขดิบดิบพอกำลังสุขอยู่เข้ามาแย่งไปก็เลยทุกข์ ใชเพราะเราเป็นคนมักง่ายเรากลัวว่าใจมันบอกมันทุกข์มากมันนอนไม่หลับไงเพราะมันไม่ได้ดังใจเราก็สนองมันสนองมันสนองมันยิ่งสนองมันก็ยิ่งตัวโตแล้วหลอกตัวเองตลอดเรากราบไหว้พระพุทธเจ้าไปวัดบ้างทําให้มันขังเฉยๆแต่เราไม่เคยเชื่อพระพุทธองค์เลยมีแต่อ้างคําสอนพระพุทธเจ้ามาเถียงกันมาเอาชนะฆาคานกันเท่านั้นเองมาอวดความรู้กัน แต่ไม่เคยทำตามที่พระ อ, องค์ชี้ทางให้พระครูพูดไม่ได้อวดดีอวดเก่งพระครูพูดเพราะยี่สิบห้าปีของพระครูนี้ทำจริงทาจริงและศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้สอนให้เราเพิ่มอะไรเลยแม้แต่หนึ่งอย่างแม้กระทั่งปัญญาความรู้พระ อ, องค์สอนให้เราลดละเลิก ที่เราทุกๆวันนี้ไม่ใช่เราไม่รู้ไม่ใช่เราไม่มีที่เราทุกเพราะเรามีมากเกินไปเริ่มจากเรามีกรรมอันดับแรกไอ้กรรมก็ส่งให้เรามาเกิดอยู่ในร่างนี้แหละธรรมชาติก็แถมอายตนะทั้งหกมาให้เราเพื่อเป็นเครื่องมือในการดารงชีวิตแล้วก็เราไม่รู้จักใช้มันเราเอามันมาเสพ เรามันมาเสกขันห้ามันก็ปลุงนะแถมขันห้ามาด้วยขันห้านี่ก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วบางคนมักง่ายนะอยากได้เร็วๆได้ยบกตรงนั้นดีนะตรงนั้นดีนะก็วิ่งไปรับขันอีกขันหกขันเจ็ดขันห้ามันแบกไม่พอต้องรับมันเยอะๆมันจะได้ขังเรากลายเป็นคนอ่อนแอไม่เคยพึ่งตนเองเลย เราทุกข์เพราะว่าเรามีน้อยเราไปรับมากไปหาเยอะๆไปหามาเยอะๆจะแบกเยอะๆไม่ใช่เราเข้าใจผิดแล้วมันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ที่เราคุกเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะเราไม่มีเป็นเพราะเรามีมากเกินไปคือหนึ่งเรามีกรรมสองเรามีไอ้ขันห้านะจิตมันก็ไปหลงติดมันไงนะแค่ขันห้ากัไม่พอแล้วก็ไปเพิ่มขันอย่างอื่นเพิ่มอัตราอย่างอื่น เห็นไหมเขาไม่ได้ตีเราเลยมันไม่ได้ถูกผัด ส, สะเลยเช่นหน่อยหนึ่งมันพูดเฉียดเฉียดหูมันด่าเราแค่นั้นเองก็ทุกจนจๆไม่หลับ <c oughs> อันนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากเราสร้างขึ้นมาเองนะมันเป็นอุปทานทั้งนั้นแหละบางคนไม่เข้าใจอะไรแล้วก็อุปทานมีบางคนต่อว่าพ <c oughs> ระครูนะแรงมากนักวิยาศาสตร์มาที่นี่ไม่ชอบคําสอนพุทธเจ้าเลยว่าก็ทําไมถามอะไรตอบไม่ได้ก็บอกเช่นนั้นเอง <c oughs> กำปั้นทุบดินไม่ชอบไม่ชอบบอกนักวยาศาสตร์บอกระครูหน่อยทำไมงูไม่มีขาทำไมคนมีสองขาทำไมวัวมีสี่ขาพระอาทิตย์มาจากไหนตอบหน่อยเพราะกูก็อยากรู้เหมือนกันก็ตอบไม่ได้ไงบางคนเขาพูดแยง้งบอกว่าก็งูมันเป็นสัตว์เลื้อยคานไงทำไมจิ้งคือมันมีหลายขาล่ะ <c oughs> เถียงกันจนตายมันไม่เก็บมันก็ไม่มีประโยชน์มันไม่เกี่ยวกับการพ้นทุกข์มันเป็นอาินใจ มันเป็นเช่นนั้นเองถ้าไม่ตอบเช่นนั้นเองเระบ้ายว่ายังไงล่ะทำไมทำดีต้องดีทำไมทำชั่วต้องชั่วใช่ไหมหาคำตอบอีกอคุณวาดสีขาวแล้วคุณจินตนาการว่ามันแห้งแล้วจะเป็นสีแดงได้ไหมมันก็ต้องเป็นสีขาวไงคุณคือสิ่งที่คุณทำคุณทำอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นก็นี่ไงคุณขาวก็ขาว คุณทำดีมันก็ดีคุณทำชั่วก็ชั่วไม่ใช่ได้ดีนะถ้าทำดีได้ดีนั้นเป็นความชั่วหลายอย่างยิ่งทำดีต้องการมีอามิตรไม่ต้องการได้อะไรทงนั้นทำดีคือสลัดออกดีก็คือดีไม่ใช่ได้ดีนะแต่ทำชั่วได้ชั่วก็ชอบทำกันมากเลยไม่สนใจละ่ะมันได้ก็ช่างแต่ว่าฉันคิดว่าฉันจะได้สิ่งที่ฉันต้องการ ทำดีก็ดีทำชั่วก็ชั่วถ้าสีขาวก็ขาว้าสีดำก็สีดำมันจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้ยังไงนะก็มีคนหลายคำถามเนี่ยเป็นทุกคำถามเนี่ยก็ทำให้พวกกพวกครูเกิดธรรมะใหม่ๆนะก็เมื่อกี้พูดอะไ ร, รสั้นีตอนนี้ยาวไปถึงไหนก็ไม่รู้นะคือธรรมะมันไม่ได้แยกหรอกตายตัวว่าเป็นเรื่องนี้พาะครูหลายปีเคยดูรายการโทรทัศน์ ตรงประเด็นตรงประเด็นเนื่องจากเงื่อนไขเวลาทุกนี้เราจํากัดและมันเช่าโทรทัศน์แพงมากไงนักวิชาการมิทติ้งมิทติ้งมติ้งนะประชุมประชุมนะแต่ละคนเงินเดือนต้งแบกลายหมื่นหลายแสนเอาเวลามาประชุมพอประชุมแล้วตั้งโจทย์ว่าวันนี้พูดเรื่องโต๊ะคุณต้องตรงประเด็นนะมึงห้ามพูดอย่างอื่นมันถึงแก้ปัญหาไม่ได้ไง โต๊ะควรจะเป็นอย่างนี้มันลืมพูดว่าไอ้พื้นที่มันตั้งโต๊ะเนี่ยมันทําด้วยอะไรอยู่ตั้งอยู่บนดินหรือเปล่าอยู่บนกระเบื้องหรือเปล่าหรือรอยู่บนไม้หรือเปล่ามันเกี่ยวกับการสร้างโต๊ะเกี่ยวกับขาโต๊ะถ้าเราพูดเรื่องโต๊ะเราไม่พูดเรื่องเก้าอี้ไม่ได้ว่าโต๊ะมันสูงเท่าไหร่เก้าอี้ขวัสูงเท่าไหร่ถ้าเราพูดเรื่องโต๊ะ เ, เ, เ, เ, เ, เ, เราไม่พูดถึงว่ามันอยู่กลางแจ้งหรือเปล่ามันรื้อมันรื้ออยู่ในหลังคาอยู่ใต้อาคารตอนนี้ไม่ได้ไงต้องตรงประเด็นไงฉันไม่มีเวลาไ มันถึงแก้ปัญหาไม่ได้ไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างในโลกในจักรวาลนี้ที่มันไม่ลิงก์กันมันไม่สัมพันธ์กันที่เขาเคยกล่าวไว้ว่าเด็ดดอกไม้ดอกเดียวเนี่ยกระทบไปทั้งจักรวาลนั่นแหละไม่ไม่ใช่เรื่องพูดเล่นนะเรื่องจริงๆที่เราด่าดากันทางโทรศัพท์แล้วเนี่ยพวกเราหายใจเข้าออกมันกระทบเราหมดอะคลื่นมันกระทบเราหมดมันถึงเครียดกันไงมนุษย์เป็นผู้สร้างและเป็นผู้ทาลาย นะวันนั้น True Vision เขาเป็นเจ้าภาพเอาพาะป่ามาให้เรานะเอาคอมพิวเตอร์พอเราขึ้นมซีคอมพิวเตอร์ไม่มีเขาเอามาให้พราะคูก็แลกเปลี่ยนกับเขาผู้จัดการในเขตนี้เนี่ยเขาบอกเกิดมาไม่ค่ดเาบอก็ได้ความรู้มากเลยสั้นๆคุยกับพ่อคูพกก่อครูบอกว่าตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยียิ่งเจริญเท่าไหร่นเนี่ยมันจะสร้างความเหินห่างยิ่งมากเลยไอ้คนมีก็ยิ่งเร็วกว่าเก่า ไอคนไม่มีมก็เป็นเต่าล้านปีอย่างนี้นะ่ะสังคมแบบนี้ถามว่าพวกคุณคิดว่าคุณจะมั่นคงเหรือเหมือนว่าฉันเพิ่มเพิ่มอาวุธทางปัญญาเหมือนเราเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะ่ะเรามีแรงมากกว่าแล้วก็ดูดเราเข้ามาตัวเราหมดเลยทรัพยากรของของสังคมมันมีจํากัดไอคนที่มีเยอะก็เยอะอะไรไอคนไม่มีจะกินถามว่ามันจะตายเปล่าหรือเปล่าไม่สัญชาตญาณมก็ต้องเอาตัวรอดมันก็ต้องเป็นโจร มันต้องบางทีมันกล้ามันกล้ามันโจรก็ต้องเสพยาให้มันบ้าก่อนพอมันคุมสติไม่อยู่ไม่ใช่เป็นโจรก็ฆ่าคนคิดว่าเราจะมั่นคงเหรอเราเก่งจริงเหรอถ้าเราเก่งจริงเราทําไมสร้างสังคมแบบนี้เราเก่งเรื่องเดียวฉันมีหน้าที่วิจัยออกแบบนี่ฉันต้องทําให้มันเด่นกว่าคนอื่นจะได้ขายเยอะกว่าคนอื่นเราคิดเรื่องเดียวแต่แง่ชีวิตเรามันไม่ใช่เรื่องเดียว ไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวมันเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตในทรัพย์สินในความอบอุ่นแต่ถ้าเรา ม, มีเมตตาแล้วเนี่ยอารมณ์ตัวนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกเพราะเราไม่รู้จักคำว่าพอเราแข็งกระด้างไม่ใช่เรื่องทำเล่นนะตอนนี้เด็กผู้หญิงนี่เจ็ดขวบตั้งท้องแปดขวบเป็นแม่ลูกชายนาหารเป็นหมอเนี่ยหมอทาคลอด โทรบอกอนหารแกบอกถ้าไม่ใช่ลู ก, ลกผมนี่ผมไม่เชื่อนะเด็กเจ็ดแปดขวบหนึ่งปกตินี่ประจำเดือนก็ยังไม่มีเลยแต่มันเป็นไปแล้วนะลูกวางแผนให้คนไปฆ่าพ่อแม่ฆ่าพี่ชายเพื่อจะเอาสมบัติมันเป็นไปแล้วมนุษย์เราเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐอีกจริงไหมไม่ใช่แล้ว แล้วคิดว่าสังคมแบบนี้เราจะปลอดภัยเลยขนาดพ่อแม่มันยังกล้าฆ่าเลยแล้วเราเป็นใครนี่แหละคือผลงานของมนุษย์ไ เ, เราเก่งไงเราไม่เก่งเลยเราเก่งแต่เรื่องวิชาที่เราเรียนเท่านั้นเองเราบริหารชีวิตไม่เก่งเลยคนที่เก่งที่สุดเนี่ยต้องบริหารชีวิตตัวเองให้พ้นทุกข์ได้นั่นคือคนเก่งจริงๆจบดอกเตอร์ วันดีคืนดีเอาเมียมาแล่เนื้อเอาไม้ก๊อกตีเมียตายแล้วมึงจะเรียนไปทําไมพรากูไม่ใช่ว่าด็อกเตอร์ไม่ดีนะพราะคูพูดถึงความเป็นด็อกเตอร์ความรู้เขาอย่างนั้นเขาสอนให้แค่ว่าต้องชนะต้องได้เปรียมเอาแม้กระทั่งอาจจะเอาเปรียบคนที่เรารักไม่ได้ดั่งใจก็ฆ่าทิง้งแล้วคุณจะเรียนไปทําไมยิ่งเรียนก็ยิง่งโง่เห็นไหม ดร์สองคนทุกวันนี้เนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องแตกแยกกันทั้ ง, งแผ่นดินชาวนาสอนควายไถายนาได้เห็นไหมเพราะมันไม่ได้เรียนหนังสือไงมันต้องไม่ทะเลาะ ก, กับควายแต่ทําไมเขาสอนควายได้เพราะบางอย่างมันไม่ต้องสื่อด้วยภาษามันจิตสื่อจิตแต่ตอนนี้เราภาษามาสื่อกันเลยพูดไม่รู้ภาษาเพราะเราหลงภาษา และความรู้ทุกวันนี้นี่มาในรูปของภาษาเป็นส่วนใหญ่ศาสนามันจึงเลอะเลือนไงนะธรรมะกลายเป็นดุนเป็นแท่งเป็นเล่มเป็นองค์วิชาเป็นแพ็กเกจธรรมะไม่มีธรรมะไอ้ที่ไม่มีธรรมะนั่นแหละคือตัวธรรมะแต่ปัจจุบันถ่ายทอดไม่มีธรรมะ แล้วจะมีธรรมะได้อย่างไรธรรมะที่แท้จริงไม่มีธรรมะเพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงมันดำรงอยู่ได้ยากมันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายที่มันทุกขังนี่มันไม่ใช่ตัวมันมันดำรงอยู่ได้ยากมันมีอายุขยของมันไม่ใช่มันไม่มีนะแต่มันมีชั่วข่าวเพราะอะไรเพราะมันเป็นอนัตตา เรามองเห็นมันเป็นตัวตนแต่มันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนนี่คือหลักธรรมชาติแต่ตอนนี้ธรรมะที่เราแสดงกันเป็นดุนเป็นเล่มเป็นแพ็กเกจเป็นของกูของมึงมีของแท้ของเทียมมันจึงไม่ใช่ธรรมะถ้าพรรมะผ่านตัวหนังสืพอพระเจ้าจึงบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อตำลาไงพระองค์บอกแล้วไง แต่ตอนนี้มาโฆษณาว่าถ้าทำาลาเล่มนี้เนี่ยสุดยอดที่สุดในโลกทุกคนต้องเชื่อมันต้องทำตามมันแล้วบอกอ้างว่าพุทธเจ้าก็ไม่รู้เรียนพุทธศาสนากันได้อย่างไรก็มันเป็นอย่างนี้กันหมดแล้วไงแล้วก็ไปติดบ่วงรูปแบบหมดแก้งขังกันนะแก้งขังกันก็วันนี้ก็เป็นวันดีวันหนึ่งนะ ซึ่งหลายปีแล้วนะที่พวกคูก็ไม่เคยไม่เคยเห็นใครที่คิดว่าให้ข้อคิดบางทีเขียนสองสามบรรทัดบางคนก็กาเฉยเฉยว่าดีหมดคือ <c ười> พ่อคูไม่ต้องการนะพวกคูต้องการให้ข้อคิดเห็นม่าเป็นยังไงนะอันนี้มันสทะท้อนออกมาจากข้างในนะก็อันนี้คือคือบุญกุศลคนแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าเราจิตเป็นกลางว่างๆแล้วก็ ไปแล้วก็สัมผัสด้วยตัวเราเองแต่ถ้าเราโมจะไปนั่งคิดนั่งสงสัยอยู่เนี่ยนะเราจะไม่เห็นความจริงก็อีกนิดนึงนอะอีกนิดนึงเพราะครูต้องรายงานนะมีบางคนบอกว่าพ่อครูหนีไปเที่ยวไหนบอกว่าจะไม่ออกไปไหนแล้วไวผมยาวแล้วไง บอกพ่ออันดับแรกพ่อคูไม่ได้ไว้านะแต่พรอครูยังไม่โผลออกเท่านั้นเองเหมือนอะไรล่ะพราครูจิตมันกําลังไว้ทุกให้มวลมนุษยชาติถ้าคนไว้ทุกอยู่เขาจะเชิญไปงานลื่นเริงเชิญไปบรรยายเขาไม่เอาหรอกเรามีเกาะป้องกันไงคือไม่ต้องไปไหนแต่พราครูแวบออกไปในเมื่อสองสามวันก่อนพ่อครูไปเมืองไหนรู้ไหม ไปสถานที่อะโคจรคือพัทยาไปเห็นอะไรรู้ไหมไปเห็นสามมิติพระครูต้องรายงานพวกเราพระครูทำอะไรบ้างเดี๋ยวหาว่าพระครูหนีไปเที่ยวจริงๆแล้วถ้าในทางโลกนะก็เป็นสิทธิพระครูนะนานๆให้ไปหน่อยไม่ได้เลย แต่ถ้าเราตั้งใจไปเที่ยวนะเร า, าเออฉันจะไปนู่นฉันจะไปกินนี่ฉันจะไปน่นแต่จนีนจ่นี่นะเราจะมีเป้าแล้วแล้วเราจะพลาดโอกาสในการเห็นของจริงแล้เที่ยวนี้พระครูก็ได้ประสบการณ์ได้ธรรมะใหม่ๆญาติธรรมก็ใจดีนะอุตส่าห์วิง่งไปรับพระครูที่สนามบินแลพาไปพาไปพาไปนะเค้กร้านนี้อร่อยมากเลย <laughs> ไปก็ไปปกติพ่อครูกินข้าวมือเดียวใช่ไหมแต่สามวันนี้เนี่ยไม่รู้กี่มือเราให้คําว่าให้เนี่ยให้ได้แม้กระทั่งสิ่งที่พ่อครูไม่มีคําว่าชอบไม่ชอบกับสิ่งที่เราปกติเราเราต้องทําตัวให้เป็นปกติกับเขานี่คือให้แล้วพ่อครูก็ให้เนี่ยพ่อครูก็เลยได้ไปเห็นอะไรที่เกิดมาไม่เคยเห็น เค้กที่อร่อยของเขาพราะครูเกิดมาก็ไม่เคยเห็นรูปทรงมันเป็นอย่างนี้มันเป็นสมัยใหม่ไงแล้วก็เห็นเนี่ยเราไปรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งรู้ความเปลี่ยนแปลงของโลกทุกวันนี้คนเราไม่ใช้ปากมากินคนเราใช้หน้าตามากินมันต้องสวยก่อนพอสวยปุ๊บอุปทานเกิดแล้วว่าอู้หน้ากินมากมันอร่อยแล้ว แล้วเ ร, เราจะไม่เราจะพลาดโอกาสในลิ้มรสรสชาติมันจริงๆเพราะอุปทานตัวนี้มันกั้นบังไว้แล้วมันถูกภาพนั้นหลอกแล้วเห็นไหมทราบภาพสามมิตินะที่เป้าหมายที่พระครูไปพระครูพาอาจารย์กองแก้วเนี่ยเขาเป็นครูสอนศิลปะที่นี่ฝีมือเขาระดับไหนระดับว่าจังหวัดกำลังจะส่งไป ประกวดเป็นศิลปินแห่งชาติพอครูเห็นพอครูเห็นนักเรียนเห็นพ๊พกพอครูว่าไปไปดูภาพก็พาอาจารย์กองแก้วบังเอิญแก่เกิดมาจนจ ะ, กะเกษียณแล้วนี่ไม่เคยนั่งเครื่องบินพอครกูก็ไม่รู้เพราะ น, นั้นเราก็พาไปก็พาไปดูพิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ ภาพสามมิติคืออะไรเรามองปุ๊บมันเป็นภาพหลอนภาพหลอกเหมือนมันโผล่ขึ้นมาชีวิตเราทุกวันนี้ก็เป็นแบบนี้แม้กระทั่งเค้กก็ทำหลอกว่ามันต้องเอาสว ย, สวยงงๆงามๆเนี่ยเราใช้ตามมากินถ้าไม่งั้นมันเพิ่มมูลค่าเพิ่มไม่ได้พอมันพอใจปุ๊บ ถึงจะไม่อร่อยเท่าไหร่มันก็กลายเป็นอร่อยแล้วเพราะโปรแกรมมันบอกน่ากินนะเราก็ไม่สามารถลิ้มรสรสชาตินั้นจริงๆมันเป็นภาพลวงตาทั้งหมดเห็นไหมแต่พอกูดูทราบสามิติแล้วเนี่ยพอกูดูไม่เหมือนคนอื่นนะพอกูทะลุไปถึงไอ้คนที่มันสั่งให้วา่าคนที่ลงทุนพวกนี้ด้วยเขาทําเพื่ออะไรเขาจะทําเพื่อเอาเป็นคนต่างชาติเปิดพัทยาแล้วเปิดเชียงใหม่แล้วเปิด หัวหินแล้วจะเปิดกรุงเทพอะไรเปิดตอนนั้นเป็นธุรกิจไงก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนทําธุรกิจและเขาก็ต้องเลือกจังหวัดที่เป็นการท่องเที่ยวเพราะสิ่งที่เราไปดูตองนั้นไม่มีใครเข้าไปรอบสองหรอกพันเป็นมายาไงนะคือเราเห็นแล้วแต่คนไม่เคยก็อยากไปเห็นแต่ส่วนมากใช้ตาเนื้อไปดู เราก็เห็นภาพสา ม, มิติคือภาพมันลวงตาก็ตอบไม่ง่ายคือลวงตาเห็นไหมทุกอย่างก็หลอกลวงแล้วมนุษย์เราก็ชอบให้ลวงบังเอิญก่อนจะไปเนี่ยมันมีเหตุเกิดที่ดานเม่นเราอันนี้เป็นสามมิติอีกแบบหนึง่งใช้ตาเนื้อมองไม่เห็นต้องใช้ตาในธรรมะจักสุ เห็นด้วยตาในจักษุภายในอันนี้ก็สามมิติมิติสวรรค์มิตินรกมิติมนุษย์อยู่ด้วยกันเราถ่ายรูปเ็าทำให้เราเห็นเลยโผล่มาจากข้างล่างข้างบนนางฟ้าลงมาพมก็ลงมาไม่งั้นสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้น แต่สามมิติของเราทุกวันนี้เนี่ยเรามองด้วยตาเนื้อแล้วเราจะเห็นภาพลวงตาเรามันไม่ใช่ของจริงก็คุยกับอาจารย์อ่อยในฐานะเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ก็เห็นมิติเดียวในตัวเรามีสี่มิติมีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมแต่หลักการวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะเป็นหลักการผู้ทธเจ้าบอกอย่าพึ่งเชื่ออะไรง่าย ต้องทดลองทดสอบด้วยตัวเราเองนั้นมันถูกต้องแล้วแต่บังเอิญวิทยาศาสตร์ไปติดบ่วงเรื่องช่างตวงวัดก็เลยเข้าไปศึกษาแค่มิติเดียวคือกายคือรู ป, ปรธรรมเราก็เลยพลาดโอกาสในการเห็นความจริงอีกสามมิติคือเวทนาจิตธรรมอันนี้คือความบกพร่องของมนุษย์ในยุคนี้แล้วก็ ความคิดแบบวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่ไม่ถูกต้องแต่เนื่องจากว่ามันถูกครอบงำด้วยระบบทุนนิยมแข่งขันเสรีนักวิทยาธรรมอะไรก็ช่างต้องต้องต้อ ง, ต, องตั้งโจร ว, ว่าฉันได้อะไรหรือใครจะปฏิเสธเขาบอกเขาช่วยโลกพวกว่าช่วยโลกก็อย่าไปเก็บตังค์สิทำงานไม่ต้องจินเงินเดือนสิ เห็นเดือนเดือนไม่พอยังแข่งกันเป็นใหญ่ด้วยแล้วทะเลาะกันทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะเราถูกครอบงำด้วยความคิดแบบทุนนิยมแข่งขันเสรีเราก็เอาความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ไปปีเราะวิจัยเพื่อจะเก่งกว่าคนอื่ น, แ ล, นแล้วบังเอิญเราก็ถูกบวมไอตัวช่างตวงวัดเราเลยวิจัยแค่เรื่องมีสี่มิติเราก็เข้าถึงแค่มิติเดียว เป็นเรื่องที่น่าเสียดายพระพุทธเจ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลในฐานะความรู้สึกพอครูพระองค์ไม่ใช่เห็นแค่สี่มิติในตัวเรานะมีกายเวทนาจิตธรรมพระองค์เพิ่อาศัยเห็นสี่มิตินี้รวมพลังสักสี่ฐานเนี่ยกายเวทนารวมกันเนี่ยกลายเป็นมหาสติประฐานมหาสติคือมหาคือใหญ่สติคือระลึกรู้จําได้หมายรู้ อนุสติมันรู้ตัวทั่วพร้อมในเวลานี้เท่านั้นเองแต่มันไม่มีกำลังที่จะลึลกรู้อดีตพระรู้เจ้านี่ไปเห็นเครื่องมือตรงนี้เนี่ยทำให้เห็นพระ อ, องค์เห็นในตัวเราเนี่ยทั้งสี่มิติเหลือยังไม่พอนะพระ อ, องค์จะข้ามมิติไปถึงนิติสวรรค์นิติมิตินรกข้ามไปถึงวัฏสงสารพบชาติ มีใครยิ่งใหญ่ขนาดนี้เพราะพระองค์ไม่ติดบ่วงช่างตวงวัดวิทยาศาสตร์ก็เลยไปวิจัยเรื่องเดียวคือมิติเดียวคือกายภาพอัตตนิยมมันถึงทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกไงเพราะความจริงมันไม่ใช่มีแค่มิติเดียวในตัวเราก็มีสี่มิติแต่มันยังมีค่ามิติอีกซึ่งมองด้วยตาเนื้อไม่ได้ สัมผัสด้วยเทคโนโลยีไม่ได้มันต้องสัมผัสด้วยตาในนี่คือคำตอบคือวิปัสนาแต่ตอนนี้ก็สอ น, นวิปัสสนากันทั้งหมดแหะเพราะครูตามไปดูส่วนมากเป็นวิปัสสนึกนึกเอาเพ่งพิจารณานึกคาดคเนบอกวิปัสนาวิปัสนาเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเลิกคิดเลิกพูด เลิกการกระทําต่างๆเหมือนน้ํามันนิ่งแล้วเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องทําอะไรเลยน้ํามันนิ่งเนี่ยไม่ต้องไปค้นคว้าวิจัยไม่ต้องไปเข้าห้องแลบฝุ่นละอองร่วง ล, ว ง, ลวงมาเม็ดทีหนึ่งเราก็สัมผัสได้ใบไม้ร่วงลวงมาเราก็สัมผัสได้นี่คือวิปัสนาแต่ถ้ายังมีการกระทําเกิดขึ้นคิดวิเคราะห์นั่นมันเป็นวิปัสสนึกถึงว่าการแสดงออกของคุณหมอเที่ยวนี้เนี่ย ดีมากคุณหมอสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกจริงในนั้ น, นคุณหมอสัมผัสเรื่องจิตในจิตเพราะไม่ไติดหวงเรื่องลังเลสงสัยอะไรก็ทําทำทำท ำ, ทำใช่ไหมแค่ไม่กี่วันที่นี้เห็นไหมจิตเดิมเราก็สอนจิตปัจจุบันร่างกายปัจจุบันเป็นแค่เครื่องมือทําตามที่จิตสั่งจิตปัจจุบันก็เรียนรู้คุณหมอบอกเบียงมือซ้ายแกนจนเมื่อยสองชั่วโมง คุณหมอพยายามฝืนจะมาเบี่ยงมือขวาจิตมันก็ไม่เอาไงถ้าเป็นจิตแล้วเราสั่งการด้วยสมองมันไม่ทำตามหรอกเพราะจิตเขารู้เองว่าเบี่ยงมือซ้ายแล้วเนี่ยมันจะไปลายเส้นตรงนั้นตรงนี้ที่คุณหมอมีปัญหาเรื่องโรคส่วนตั ว, วมันก็ปลดไงบางคนก็เห็นแล้วนะแต่ว่าก็ยังลังเลสงสัยอยู่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต เห็นธรรมคือเห็นจิตจิตเห็นจิตคือมรรคผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือนิโรธเมื่อเรายังไม่แจ่มแจ้งเราก็ดำเนินต่อไปแต่ถ้าเราก้ากลัวเบื่อๆอยากๆทำบ้างไม่ทำบ้างมันก็ได้แท่ที่เราทำไงเดินไปเก้าหนึ่งถอยหลังไปสามเก้าพอมีสติก็เดินไปอีกเก้าหนึ่งก็ถอยไปอีกสี่เก้า แ ล, แ, ล แ, ลแล้วมาบ่นบอกว่าฉันไม่ก้าวหน้าเลยก็พวกคุแจกออบแอบมองแล้วเนี่ยก็ก้าวไปก้าวหน้าข้างก้าวหนึ่งก็ถอยหลังสามก้าวมันจะไปก้าวได้ยังไงต้องเอาธรรมะพระพุทธเจ้าที่เราเรียนรู้เนี่ยไม่ใช่รู้เฉยๆเอามาใช้เอาศรัทธาตั้งมั่นเอาวิริยะบางครั้งต้องใช้ขันติแต่บางทีเราเราเป็นคนมักง่ายไม่ใช่ขันตินะขันแตกอย่ารู้เฉยๆนะ ต้องปฏิบัติให้เข้าถึงไม่ใช่ปฏิบัติไม่ใช่แค่รู้ทมต้องปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมเราถึงจะวางได้ทุกวันนี้เราเข้าใจมันไม่เข้าจิตสมองรู้จิตไม่รู้แล้วเราก็เพิ่มอาหารให้สมองเพิ่มกำลังให้มันเพิ่มกำลังให้ใจเรา จิตมันก็ถูกดึงไว้อย่างนี้นะเหมือนเราเล่นชักข็เยอะดึงไปดึงมาเนี่ยแล้วมันจะไปไหนล่ะนะโดยเฉพาะคุณหมอก็แสดงว่าที่ผ่านมาเราก็ไปเข้าโรงงานเข้าโรงงานปฏิบัติธรรมนะเข้าโรงงานเขาก็สั่งให้เราเป็นหุ่นยนต์นั่นแหละก็ไปฝึกวิชาเลยไหมวิชาสมาธิวิชาสติแล้วก็ฝึกวิชาใดเราก็ได้วิชานั้นไง เขาไม่เคยฝึกวิชาให้เราเข้าไปถึงปัญญาเลยทุกวันนี้สังเกตอยู่ไหมห น, ะนังสือก็พิมพ์นะสติตัวใหญ่วบาเร้อเลยจบที่สติจบที่พวกครูว่าทำไมคิดอย่างนั้นโจรก็มีสติเล้วเร็ ว, เรวนี้พระแขก็ไปเยี่ยมที่เชียงใหม่ไปเยี่ยมบ้านไปเยี่ยมญาติธรรมเก่าแก่ของเรา น, ะนานแล้วเนี่ยเขาก็ฉติดพระแขบอกว่าพวกครูบอกว่าโจรก็มีสตินะ แต่เนื่องจากเขามีปัญญาเขาตื่นเออใช่โจรมันก็มีสติมันก็มีสมาธิมันงันมันพ้นไม่สําเร็จแต่มันไม่มีศีลมันไม่มีปัญญาและคนที่ฝึกสติพร่อครูเคยถามว่าไอทางไปสู่การพ้นทุกข์ศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาเนี่ยสติอยู่ไหนเอาไปซ่อนอยู่ไหนถ้ามันเป็นพระเอกทานศีลภาวนาสติอยู่ไหนก็ไม่มี แต่ไม่ใช่ว่าสติไม่สำคัญสติเป็นเครื่องมือในการเดินทางหนึ่งในแปดแต่ไม่ใช่พระเอกเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนิกชนเนี่ย ท, ที่ว่าต้องเรียนาศาสนาพุทธเนี่ยเพื่อทำให้เราเกิดปัญญานั่นคือเป้าหมายสูงสุดสาศาสนาพุทธสอนให้เราเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วจิตมันไม่ง่ที่จะทุกข์อิ่มก็จางคลายความยึดมั่นถือมั่นเข้าสู่สุญญตาผลสูงสุด คือนิพพานนะก็ขอต่ออหนึ่งเดี๋ยวพวกคูจะลืมสามมิติเมื่อกี้เนี่ยพ่อกรูจะตั้งเป็นหลักสูตรหนึ่งให้เด็กเรียนแล้วก็ให้อาจารย์กองแก้วถ่ายทอดออกมาอีสานไม่มีใครกล้าทําเพราะมันจะไม่คุ้มทุนเพราะมันไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวเพราะอันนี้มันหลอกได้ครั้งเดียว เขาต้งเปิดที่เมืองที่ท่องเที่ยวนะคนใหม่มาแต่นี้เราจะเปิดให้เข้าฟรีมันอาจจะขายเข้าหลายรอบอยู่และที่ด่านเม่นเราจะสร้างห้องน้ําสุ ข, ขาเนี่ยดีๆปวดทุกข์ให้เขาฟรีเขามาเข้าช่องเม็กน่ยหบาทสามบาทเราต้องเรียงแถวกันอะไรเนี่ยนะเราจะให้ ปดทุกข์ให้เขาแล้วถ้าไม่มีใครล้างห้องน้ำเราจะเรียกนักาหารมาล้างห้องน้ำแกชอบมากแกถึงก้าวหน้าไงตอนนี้แกกระซิบพวอครูแกไม่กล้าพูดดังแกบอกพกอ ค, ครูคล้ายๆกระดูมกำลังจะเปลี่ยนบอกอย่าพูดดังเดี๋ยวเขาจะด่าเราแกชอบมากพวกครูจัดงานอะไรก็ช่างวันนั้น เรามีปริวาสครูบาอาจารย์มาเข้าเนี่ยแกจองเลยห้องน้ำข้างล่างเพราะกูเนี่ยไรมิดขึ้นมาเพื่อรองรับงานนั้นแกบอกงานนี้อย่าให้ใครมาแย่งนะกันนะแกบินมาจากกรุงเทพมาล้างห้องน้าเราไปทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ยากแล้วไม่ต้องไปบอกใครจิตเรารู้ก็พอละไอ้ที่ความรู้สึกต่ำที่สุดนั่นแหะได้ในสงมากที่สุด ทุกอย่างที่จิตพิจารณาทํานี่ยมีแต่ทมเพื่อให้ไม่ใช่ทําเพื่อเอาได้อะไรไหมได้ให้แล้วทาไมต้องให้เรากล่าไวไหว้ผู้ที่เจ้าทําไมผู้เจ้าสอนเราแค่สามอย่างทานศีลภาวนาทานนี่เป็นการปฏิบัติธรรมมีญาติธรรมไม่ใช่ญาติธรรมหรอกเพื่อนรุ่นเดียวกันเพราะครูเคยเมาด้วยกันแย้งอยู่เรื่อย ไม่ไม่กล้ามาปฏิบัติพวกครูปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติจิตเปิดโรงเรียนทําไมเขาเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมไปหลับหูหลับตาเจริญสติธรำสมาธิอย่างเดียวปฏิบัติธรรมคือทานศีลภาวนาการให้ทานเนี่ยเป็นอุบายวิธีในการขัดเกลีจิตให้ผ่องใสเป็นการกําจัดความโลภความกระหนี่ออกเป็นการขัดเกลีจิตอย่างหนึ่งเป็นหนึ่งในสามสำคัญกว่าสติอีก มัวจะสติสติ่างนั้นแหละเอาสติไปด่ากันไงทุกวันนี้ถ้ามันไม่มีสติมันด่าผิดนะมีสติทั้งนั้นแหละเอาสติไปสร้างกรรมทานนี่จะทำให้เรามีเมตตาจะลดละเลิกความโลภความตณีเราเนี่ยห้ความทยานอยากก็ไม่มีตัณหามก็ไม่เกิดขึ้นแล้วมาถามว่าปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติสิเปิดโรงเรียนทาไมเออถ้าพระครูเปิดโรงเรียน เหมือนโรงเรียนที่เขาเปิดไปโรงเรียนเอ ก, กชนนะกเก็ตแพงๆนั้นค่อยมาด่าพ่อครูนะอันนี้มันฟรีหมดเปดิดเพื่อให้ไงบางคนทําบุญกับพ่อครูนี่มีเท่าไหร่ก็เอามาทําบุญทําบุญนะเพราะศรัทธาไงพอไปเห็นเด็กยากจนมันกินเยอะๆหลายรอบเลยนะไปโกรธมันนะพ่กครูบอกกันยังไม่รีบไหว้เขาอีก ถ้าไม่มีคนจนนะคุณจะไปทําบุญกับใครคุณไปทําบุญกับคนรวยเขาจะด่าคุณด้วยนะคุณดูถูกฉันหรือเนี่ยทําบุญมีเงื่อนไขทําบุญตามบุญทําแล้วฉันดีใจฉันก็ทำํำกิเลสทั้งนั้นบุญคือเบาบาปคือหนักทําบุญทําทานบุญเกิดจากการให้ทานทานคือจาคะคือสลัดออกไม่ได้หวังอะไรมาคืนเลย ไม่ใช่ทำบุญกับพระเจ้าไปร้อยหนึ่งสาทุขอถุกรวันที่หนึ่งอันนี้ค้ากำไรเกินควรนะไม่ใช่ไม่ใช่บุญนะมาก่าพระเจ้าก็ขอน่วนขอนีน่พระพุทธรูปเนี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นสั ญ, ญลักษณ์นะที่เป็นสั ญ, ญลักษณ์เรากล่าวไหวเหมือนเรารลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ห่างไกลจากกิเลส ไม่ใช่กราบไหว้ในฐานะที่เป็นพระองค์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้พระองค์มาคุ้มครองเราพระองค์ช่วยให้เราพ้นทุกข์หน่อยนะแต่ขี้เกียจปฏิบัตินะพระเจ้าไม่เคยบอกอย่างนั้นนะพระเจ้าบอกอย่าเพิ่งเชื่อครูบาอาจารย์นะอัตติหิอัตโนนาทโถต้นแหล่ย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าใครกราบไหว้พระพุทธรูปในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วขอนอนท์ขอนี่พระครูถือว่าดูถูกพระพุทธองค์พระองค์ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่พระองค์ยิ่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้ทุกวันนี้เราเห่อเหินเดินอากาศได้จากกรุงเทพมาบินมาชั่วโมงหนึ่งถึงเลยใช่ไหมหูทิพนะเพื่อนอยู่ฝรั่งเศสคุยกันรู้เรื่องแล้วตาทิพนะมันแสดงละคร อ, อยู่โตเกียวเรามองเห็นแล้วเนี่ยเขาไม่ช่วยให้เราพ้นทุกข์แต่พระพุทธเจ้ายิ่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ชี้ทางพ้นทุกข์ให้เราได้ถ้าใครกล่าวไหว้พระพุทธเจ้าในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วขอน่นข อ, น, ขอนี่พราะครูถือว่า ดูถูกพระองค์เราไม่เข้าใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะอันนี้ก็ถ้าไม่รีบหยุดนะเดี๋ยวทุกคนไม่ได้ปฏิบัติอีกเอาเนว่าเหลือเวลาเท่าไหาร่ก็ช่างก่อนจะนอนเนี่ยยืดเส้นยืดสายหน่อยหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงนะก็สุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศีรัตนาไตแดะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาล